ฟังแท้ตัวก่อนได้ถามก่อนเลยอ่ะคือหนูเพิ่งมาสังเกตตัวเองค่ะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะคือโกใช้คําว่าเหมือนกับตะอินกับนามมาทำอะค่ะมากกว่ารูปประมับดังนั้นมันก็จะค่อนข้างยากที่หนูจะทําเหมือนหนูก็จะรู้สึกยึดติดกับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนกับว่าหนูเป็นคนที่ พอเวลาสมมุติว่าได้ทําสวนกับอากูอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกเหมือนมันมันไม่ใช่แค่มีความสุขธรรมดาอย่าเงี้ยค่ะมันค่อนข้างจะลึกไปกว่านั้นซึ่งพอพอเหมือนพอมีความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะพอเหมือนโกก็จะเคยบอกว่าบางทีมันเหมือนความสุขมันก็ไม่ใช่ของของที่เที่ยงแท้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วว่ารู้มันอยู่ ไม่ยั่งแท้แต่เราก็ไม่ได้ไปผักใจเขาก็รู้เขาอยู่ว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็รับรู้รับทรา บ, บเขาอยู่ไม่ไปผักใสอะไรแต่ก็ไม่หลงไปดูดดื่มกับเขาแล้วก็ไม่ไปดิลนผลัดใจเขาก็แค่รับรู้เขาอยู่ ตรงที่หลวงตาพูดว่าไม่ไปดูดถึงกับเขาอันนี้เหมือนตัวหนูทำค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนอ่าใช้ควาว่าไม่ยากเราเราไม่รู้วิธีอเราเราไม่รู้วิธียัง ก็เป็นธรรมชาติมันเป็นของเก่าของโน้นนะเป็นธรรมชาติที่ติดตัวมาแต่เกิดติดข้ามพบูมิชาติมาภาษาของทางพระเขาเรียกว่าอารมณ์สมาธิระดับปีติอย่างหนูพูดตอนนี้มันก็เป็นอารมณ์สมาธิระดับปีติมันไม่ใช่เป็นความสุขธรรมดาเหมือนอย่างชาวโลกที่เขาสุขแต่มันเป็นความสุขเข้าไปในอารมณ์ลึก เวลาหนูพูดแล้วมันข่ายกระเท่ากระแท่นเพราะว่ามันมั น, มนตื้นตีนตื้นขึน้นมาเหมือนกัจะร้องไห้เออมันมีอาการซ่าบซ่านไปทั่ว ม, มีอาการอิ่มเอิบไปผสมกับปิติบวกสุขที่เป็นของเก่าคนที่เกิดในช น, นี้ไม่ได้ทําได้ทุกคนแม้คนปรารถนาจะทําปรารถนาที่จะปฏิบัติให้ได้ก็ทําไม่ได้เพราะปรารถนาบา ร, รมีของเก่าไม่มี ทุกคนสร้างเหตุปัจจัยต่างๆกันมาอย่างก็อนหนูเคยสร้างเหตุปัจจัยมาแล้วเมืที่หนูพูดแล้วขาดเป็นกระท่อนกระแท่นขึ้นหนูเหมือนกับจะร้องไห้ข้างในความสุขความมีเอิบมันไม่เหมือนความสุขธรรมดามันเป็นความสุขที่ตีตื้นออกมาจากภายในใจเราก็เนี่ยรับรู้เข้าอย่างนั้นเนี่ยรับรู้เข้าอย่างตกไปตรงมาอย่าไปเอะอะอย่าไปสงสัยอะไร <c oughs> เราอย่า ไ, ไปคิดเราต้องหลีกหนีเขาหรือไปดิลนผักใสเขาก็าแค่รับรู้อย่างนั้นแหละไม่ต้องคิดทําลายเขาไม่ต้องหลบหนีเขาไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาเราไม่ต้องปรุงแต่งเขาก็แค่รับรู้อย่างนั้นแนหะละคือรับรู้นะระหว่างที่นั่งฟังทำต่างตาหรือฝนทนาทาหนังตาเราแค่รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ต้องกลัวว่าจะติดสุกไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะติดสุก รับรู้ก็ไปอย่างตรงไปตรงมาอย่า ง, ง น, นั้นแน่ขอบคุณค่ะตลอดเวลาช่างนี้นี่หนูก็รับรู้ต่อไปเรื่อยเรืยเดี๋ยวมันก็จะรับรู้เองอ่เป็นความไม่เที่ยงหนูไม่ต้องพยายามดิ้นหนผับใส่เขาไม่ต้องบอกเขาว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเรา ทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ถึงแม้จะพยายามรักษาไว้ได้มันก็รักษาไว้ไม่อยู่แล้วมันก็เกิดจอนมาเดี๋ยวก็จอนไปจอนมาก็จอนไปแต่หากเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านไปไม่เออเอรวลามันเกิดขึ้นไม่ดิีลนไม่ฟุงแต่งไม่ฟุ้งซ่านไปมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นได้บ่อยขึ้นเป็นได้มากขึ้นเวลามันเป็นได้บ่อยขึ้นเป็นมากขึ้นเราอย่าไปกวนเขาเขาเป็นอย่างไรป่ไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปกวนเขา เหมือนคนนอนหลับอดี๋ยวอย่าไปกวนคนนอนหลับเออเวลาคนนอนหลับเนี่ยเราไปกวนเขาก็หลับไม่เต็มตาตับหลับไม่เต็มอิ่มตื่นมาสโลสเล่เดี๋ยวก็โมโหใช่ไหมเอออย่างเป็นแม่ใช่ไหมเน่ยใช่ป่ะอะเออยากอย่างเงี้ยสมมติว่าญาเขานอนหลับอย่างเนี้ยเขานอนหลับสนิทอยู่เราไปกวนปุกเขาเนี่ยทีเขาตื่นมามเนีนอนไม่เต็มตาเดี๋ยวโมโหเอออย่างเงี้ยเราก็เหมือนกันอารมณ์ปีติเนี่ย มันเป็นอารมณ์ปิติเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งของเวทนาแต่มันก็ไม่เที่ยงหรอกแต่ไม่เที่ยงแต่เราสามารถด้วยความสามารถเราสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมาได้ไดบ่อยๆดังใจนี้เพราะเป็นความสามารถที่เราจะปรุงแต่งได้เราเป็นความสามารถของเราสิ่งใดที่เรามีทําความสามารถที่จะทํามันได้ง่ายได้เหมือนฝาพิกฝ่ า, ามือเราเรื่องอะไรจะไปติดมันในสิ่งที่เราทําได้ มันของที่เราจะทําได้เมื่อไหร่ก็ได้เราก็ไม่ติดมันเดี๋ยวมันหายไปแล้วเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เอแต่มันต่อไปมันจะมีสิ่งที่แปลกใหม่มากมายกว่านี้สิ่งที่เราต้องรู้ละปล่อยวางจริงเราต้องทําก็กใจยังมีอีกมากมายแต่สิ่งนี้เป็นทางผ่านเฉยเอแต่เราก็เหมือนกับไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเ ป, เป็นการพักที่ดีที่สุดยิ่งกว่าการนอนหลับนอนหลับทั้งวันทั้งคืน ไม่เท่ากับมีอารมณ์อย่างนี้เพียงแค่ขนาดจิตเดียวอืมเราก็สามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมาได้บ่อยๆเกิดขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะมีสติรักษามันไม่ได้โดยที่เราการที่รักษาไว้คือไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปอะาะไม่ไปสงสัยมันไม่ยุ่ง ม, มุน่นวายกับมันแล้วก็แค่รับรู้รับทราบมันแค่รับรู้รับทราบมันอย่างนั้ น, นแหละเราก็จะรักษาไว้มันได้แต่รักษาไว้ได้กับไม่ได้ว่ารักษาคงที่ได้มันก็่อยเปลี่ยนแปลงพัฒนาของมันต่อยอดไปเรื่อย จาปิติก็ไปสุขจากสุขก็ไปอุเบกขาไปสู่ความสุขความสงบลมเย็นขึ้นไปอันนี้เราก็ต้องพัฒนาต่อยอดขึ้นไปโดยที่มันจะต่อยอดขึ้นไปได้โดยที่เราเนี่ยไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับมันเหมือนคนนอนยิงไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับยาที่กําลังนอนหลับเนี่ยเราก็ปล่อยเขานอนหลับไปก็แต่ว่าแค่รู้ว่าญ้านอนหลับอยู่แต่ก็หลับเต็มอิ่มแล้วจิตมันจะมีกําลังมากเวลามันออกมาแล้วตื่นมาแล้วเนี่ยมีกําลังมาก แต่พอมันตื่นมาเป็นปกติแล้วอย่าเราก็จะไปโหยหามันคือโหยหาคือกลับไปนอนเองวันๆเอาแต่นอนหลับมันจะได้เรื่องอะไรได่ยังไงไม่ได้งานได้การอะไรแต่เราเนี่ยต้องคนมีเวลาพักแบบนี้บ้างวันๆหนึ่งแต่เมื่อออกมาแล้วต้องทํางานอย่างอื่นต่อไปอีกไม่ใช่ว่าไปโหยหาแต่อารมณ์นี้เหมือนคนที่นอนหลับแล้วตื่นแล้วก็อยาจะหลับอีกตื่นแล้วก็อยากจะกลับไปหลับอีกตื่น comida, แล้วจะกลับไปหลับอีกชีวิตมันจะได้อะไรไมันไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ย อันนั้นก็นเขาเรียกว่าจิตมันหลับคือจิตมันในพักพักเต็มที่การที่เขาเรียกว่าอารมณ์สมาธิระดับฌานเป็นอารมณ์สมาธิระดับฌานจากวิตุวิจารณ์ดับไปจึงเกิดปิติเพราะปิติดับไปจึงเกิดสุขเพราะสุขดับไปจึงเกิดอุเบกขาไม่ใช่ว่าทําได้ทุกคนเป็นวา ส, สนาบารมีเฉพาะบางคนที่ติดตัวมาติดจิตมาคําพบคําชาติ แต่เราแตจิตมันจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราเนี่ยเข้มามันได้บ่อยๆอารมณ์เหล่าเนี้ยมันจะมีความละเอียดละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปการเข้าปิติแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนกันคือปิติมันจะละเอียดและนุ่มนวลสว่างสวัยมากกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อยๆละเอียดจนเป็นเดิมเหมือนกับแป้งห ย, ยาบหยาบยี่ห้อไม่ดีอารมณ์เหล่านี้มันจะค่อยๆละเอียดไปเหมือนเหมือนแป้งฝุน่นจากแป้งฝุน่นค่อยๆกลายเป็น แป้งพับของผู้หญิงไงเนาะแป้งฝุ่นแล้วเป็นแป้งพับแต่เป็นแป้งพับก็เป็นอะไรละเอียดก็แป้งพับเป็นอะไรครีมเออเป็นครีมเลยเออเป็นครีมรองพื้นจาก Turn, h, ครีมรองพื้นก็ละเอียดก็ไปจนเป็นอะไรนะของผู้หญิงอะไรเล้เเลยกัครีมรองพื้นเป็อะไรอีกที่มันครีมรองพื้นยี่ห้อมันจะหยาบหยายาบยาบแล้วก็ดีราคาแพงที่มันละเอียดเข้าไปเอียกเข้าไปนั่นแหละคือ อารที่หนูเป็นเนี่ยมันก็จะละเอียดกันไปเรื่อยๆละเอียดกันไปเรื่อยๆแล้วก็ละเอียดผ่องใสสว่างสวยมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่สิ่งนี้ยเป็นแค่ทางผ่านนะมื่อหนูขับรถจากกรุงเทพมาเนี่ยหนูผ่านมาหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายสถานที่กว่าจะมาถึงที่ที่เนี่ยสถานธรรมเนี่ยสวนธรรมใจริหัด ท, ที่สิงค์บุรีเนี่ยหนูจากกรุงเทพมาก็ต้องผ่านมามาหลายที่อันเนี่ยนี่เป็นทางผ่านอานหนู หยุดแพ้หยุดแวะพักแค่ทางทางที่ผานผ่านอันนี้เป็นคืออารมณ์อันนี้ยเป็นอารมณ์ทางผ่านถ้าหนูแวะพักปุ๊บมันก็ไม่ต้องไปไหนแล้วแต่ น, นี้่พักอยู่ตรงนั้นไงเออมันมันเป็นอยู่กับรู้อยู่อย่างเงี้ยรู้อยู่จะไปฟุง้งซ่านจะไปอ้าจะไปสงสัยมันนี่คือเป็นทางเดินทางเดินของสายอริยมรรคมันอยู่ในหนึ่งในสัมมหนึ่งในอริยมรรคมีองค์แปคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิ ในสมาสมาธิอสมาสมาธิทั้งหมดเนี่ยสมาัอริยมรรคมีองค์แปดมีแปดข้ออรู้ไหมหนูรู้ไห ม, อมเออว่าอะไรบ้างนะบอกทีละข้อดิข้อหนึ่งอ่อข้อหนึ่งก็เอาว่าแต่สมาธิที่ชอบสับอะไรข้อหนึ่งสมาธิที่มีปัญญาเห็นชอบข้อสองเนี่ยสมา สังกัโปโภมีกรามดําริชอบคิดชอบสมาวาจาสมาวาจาวาจาชอบสมาวารโมก็คือพูดชอบสมากรรมันโตกระทำชอบอสมาอาชีวโวประกอบอาชีพชอบคือการคิดการพูดการกระทำเรชอบหมดเลยชอบไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เบียดเบียนตนอื่นไม่เบียดเบียนตนอื่นตนเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ว่าสัดเล็กสัดใหญ่ นี่คืออริยมรรทั้งหมดเนี่ยคือคิดชอบพูดชอบกระทาชอบแล้วก็ส่วนปัญญาเนี่ยสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบก็คือมีปัญญาที่จะพาตนให้ออกจากกิเลสและกองทุกข์ได้ในทุกขณะปัจจุบันที่ตัวเองอ่ะไปคิดเป็นนึกไปตึกไปตอไปพูดไปกระทําอะไรให้เกิดกิเลสและเป็นความทุกข์ทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเอาไฟกิเลสมาเผาใจตนไปเผาผู้อื่นได้ไปทุกข์เดือดร้อน มีปัญญาที่จะออกจากทุกออกจากกิเลสและความทุกข์ได้ทุกขณะที่มัไปเกิดกิเลสและความทุกข์ขึ้นในปัจจุบันยังเรียกว่ามีปัญญาเห็นชอบนี่เป็นัญาเห็นชอบแล้วก็นอกจากมีปัญญาเห็นชอบการดำเนินชีวิตในประจำวันก็ต้องคิดชอบพูดชอบกทําชอบประกอบอาชีพชอบนี่ไปแล้วสี่ข้ออีกสี่ข้อก็คือสัมมาวายมะคือเพียนเพียนเนี่ยเพียนอย่างที่มีปัญญาเห็นชอบนั่นแหละแล้วก็เพียนคิดชอบพูดชอบทําชอบ ประกอบอาชีพชอบประกอบอาชีพชอบนี่ก็คนทั่วๆไปคือประกอบอาชีพไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกคือประกอบอาชีพชอบก็คือรู้ละปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมัน่นให้เกิดกิเลสและความทุกข์นี่คืออาชีพของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อบ่รความพ้นทุกข์นอกจากชีพประจําวันเนี่ยมีสติสัมปชัญญะในการทํากิจการงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพแล้วแต่ภายในใจเนี่ย แบบรูล้ละปล่อยวางตลอดเวลาไม่เขา้าไปยึดถือสิ่งใดให้เกิดกิเลสและกองทุกข์อย่างหนูมีอารมณ์สมาธิระดับปีติเป็นสมาธิระดับที่เป็นฌานเบื้องตน้นอันนี้คือเป็นวาสนาบุญบารมีเก่าที่หนูฝึกฝนมาอันนี้หนูก็เออถ้าเมื่อไหร่ที่หนูเนะี่ยไม่ไปเดินเดินตามอริยมรกมีองค์แปดมีปัญญาเห็นชอบคื อ, อปัญญาที่จะไม่ไป มีปัญญาที่จะออกจากกิเลสและกองทุกข์ได้แล้วก็คิดเจอบพู้ชอบกระทาชอบแล้วก็ประกอบอาชีพชอบคือเพียรดูละใบวางเพียรปฏิบัติอันนี้อารมณ์สมาธิมันก็นจะเลื่อนไหลขึ้นไปสู่ความละเอียดสว่างสวัยสงบมากขึ้นไปมันจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆแต่พวกเรานี้ก็ไม่เที่ยงนะแต่เราไม่เที่ยงแต่ทางผ่านคือมันไม่เที่ยงกัจริงแต่ทางผ่านที่หนูจะต้องผ่านไปสู่มรรคผลนิพพาน ไปสู่ความสิ้นกิเลสและความพ้นทุกข์เปรียบเหมือนเนี่ยหนูมาจากกรุงเทพจะมาที่สวนทํามเดลีฮัทที่สิงคโปรีเนี่ยหนูก็จะต้องผ่านเส้นทางมาเนี่ยเป็นทางผ่านถ้าหนูไม่ผ่านมาหนูก็มาไม่ถึงนี่เออเั้นมันเป็นเส้นทางผ่านต้องผ่านมีความจำเป็นสำหรับคนเดินทางสายนี้เขาเรียกว่าสายเจโตวิมุตสายเจโตวิมุติหนูจะต้องเดินทางผ่านสายนี้ อ, อแต่สำหรับบางคนก็ไม่ต้องเดินทางผ่านถนนเส้นนี้ เขามิเป็นพวกปัญญาวิมุตต์แต่ก็มาถึงที่เดียวกันเหมือนกันใครจะมาหาลงตาที่สวนธรรมเดริฮัตเขาอาจจะมาทางเหนือก็ได้เขาก็ไม่ไม่ผ่านทางเดียวกับเราบางคนอาจจะผ่านไหมทางอีสานเขาก็ไม่ผ่านมาจากกรุงเทพไม่ได้ผ่านเส้นทางเดียวกับเราหรือ บ, บางคนอาจจะผ่านมาทางสายทางอีสานทางด้านชายภูมิก็ไม่ทางหนึ่งสายโคราชมาสายมิตรภาพก็มาอีกทางหนึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอนะครับ ก, การปฏิบัติธรรมก็มีหลายหลายเส้นทาง แต่สุดท้ายมาจบที่เดียวกันคือที่ส่วนธรรมไดริฮัทคือมรรผลนิพพานที่พระเจ้าตัดไว้ดงนั้นอรมณ์ปิติเนี่ยอารมณปิติสุขเบกขามันหนึ่งในสัมมาหนึ่งในอริยมรรคในองค์แปดคือเรียกว่าสัมมาส ม, มาธิเมื่อกี้เรามาถึงแล้วอสัมมาวายามะความเพียรชอบแล้วก็สัมมาสติคือมีสติชอบแล้วก็สัมมาสมาธิมีสมาธิชอบครบแปดข้อยังครบเลยเนา ะ, ะนี้มี ต่อมาวายามะความเพียรชอบก็เพียรอย่างนี้เนี่ยเพียรคิดดีพูดดีทําดีคิดชอบพูดชอบทําชอบประกอบอาชีพชอบคือประกอบอาชีพทำมาเลี้ยงชีวิตด้วยความสุจริตแล้วก็ทางผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ประกอบด้วยว่านอกจากทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตในทางโลกแล้วผู้ปรารถนาความบรรทุกความเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองในทางโลกและทางธรรมก็ต้องคิดชอบพูดชอบกระทําชอบเพียรคิดชอบพูดชอบกระทําชอบรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา แล้วก็สัมมาสติก็ต้องมีสติไว้ไม่มีสติมันก็มันก็การคิดการพูดการกระทําก็ไม่ชอบชอบไม่ชอบไม่รู้ตัวเลยไม่รู้เรื่องเลยต้องมีสติจะพูดก็ต้องมีสติจะคิดก็ต้องมีสติจะพูดก็ต้องมีสติจะทําอะไรก็ต้องมีสติแล้วก็เมื่อมันชอบมาแล้วต้องเจ็ดข้อแล้วหรือข้อที่แปดหนูก็เป็นแล้วเนี่ยเป็นเป็นสัมมาสมาธิแล้วคือ พอวิตกวิจารดับไปจะเกิดปิติพราะปิติดับไปจะเกิดสุขพราะสุขเกิดไปจะจะเกิดอุเบกขานี่คือเรียกว่าสัมมาสามาธิในอริมรชมีองค์แปดในสายของเจโตวิบุตรหนูก็เป็นหมดแล้วเนี่ยนี่ในสายของเจโตวิบุตรหนู ก, นหนนก็เป็นแล้วคือมาเป็นปิติเพราอวิตกวิจารณหนูมาข้ามาา ening, าพบค้ามเจ้าหรือวิตวิจารเนี่ยมันคงจะมาแล้วมันข้ามมาเป็นปิติแล้วเนี่ยปิติอหนูเนี่ยพอ ไปอยู่กับใจมันจดจ่อสิ่งใดที่หนูถูกที่มันมันมันถึงใจมันก <Jude. S 2> ็จิติก็เกิดเองแล้วอันนี้คือของเก่าพอมันเกิดขึ้นแล้วหนูก็เรับรู้รับทราบเขาแล้วก็อย่าปรุงซ่าอย่าปรุง แ, แต่งไปให้ใจอยู่กับรู้เนี่ยอยู่กับรู้สิ่งนั้นเนี่ยอยู่กับรู้ไว้ให้ใจอยู่กับรู้สิ่งนั้นไหม ร, รู้อารมณ์อย่างเนี้ยรู้อารมณ์ปิติรู้อย่างนั้นน่ยให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายรู้อารมณ์พิติร์อย่าพึ่งไปรู้อย่างเรมอย่างอื่นให้รู้อารมณ์เดียวให้รู้ปิตินั่นนะ รู้ลมเดียวอย่างนั้นแหะอย่าฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นอย่าให้มันไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สิ่งสัมผัสภายนอกแล้วให้มันอย่าไปรู้เรื love, ่องราวที่เราคิดไปไปคิดตันคิดนี้อย่าให้ไปรู้เรื่องราวที่เราคิดไปถึงคนนั้นคนนี้ให้มันรู้อารมณ์ปิติที่เรากำลังเกิดเนี่ยเขาเรียกว่ารู้อยู่อารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคาตาจิตเอกคาตาจิตให้มันรู้อยู่อารมณ์เดียวหรือว่าให้จิตเป็นเอกจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นเอกจิตเป็นเอกมีมีหลวงปู่องค์หนึ่งท่าน แล้วพอท่านปฏิบัติแล้วจิตท่านเป็นเอกท่านินจิตท่านเป็นเอกแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วเสียงไก่ขันตอนเช้าเอกอีเอกเอกแต่ถ้าไม่ได้ยินเสียงเอกะเสียงไก่มันขันว่าจิตเจ้าเป็นเอกจิตเจ้าเป็นเอกจิตเจ้าเป็นเอกจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนี่แหละจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งคือให้มันรู้อยู่อารมณ์เดียวอย่าให้มันสอดส่ายไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่าให้ไปรู้เรื่องที่คิด ให้มันรู้ตัวอารมณ์ที่เป็นเกิดขึ้นปิติอาการที่หนูเป็นนี่ยเนี่ยที่ว่ามันมันเหนือกว่าสุขมันมันสุขก็ไปถึงใจนั่นแหละให้หนูรู้อยู่อารมณ์เดียวอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเอกคาตาจิตเดี๋ยวไอไอสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์ปิติมันก็จะเลื่อนไปสุขสุขก็เลื่อนไปอุเบกขาของมันเองจากอุเบกขามันก็ไม่เที่ยงล่ะเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเปลี่ยนเองมันก็จะเปลี่ยนมันไปอุเบกขาก็จะกลับหายไปแล้วก็กลับคืนสู่ความเป็นปกติ เริ่มมีความคิดนึกตึกตอนตามปกติแล้วก็เราก็สักงตวรู้จิตจีสั่งตรวรู้จิตจีคิดนึกตึกตอนไม่ไหลไปกับความคิดนี่ก็จะพัฒนาต่อยอดไปอีกทีนึเข้าใจไหม